Fifty languages. Twenty-one. v i n t Conversa e d n es s t e d a i l a ปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาซิเลียอยู่ใวิซอดิฉันขอแนะนาให้คุณรู้จักกับคุณมิวเลอร์ได้ไหมคะลิเเขาเป็นคนต่างชาติอยู่ในสวิเอร์ขเขาพูดได้หลายภาษา parla d i v e r s ร s l าสญิงั คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะเนอะใหญ่ไปเซเลนปัสแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะคุณชอบที่นี่ไหมคะ คนที say, shop, ma, ่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะม a ลลาเจ t เป็น l อลลามาปลาและดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ també m a g r a d a e l paisatge คุณทางานอะไรคะคินาเป็นลาเซบาประสา ดิฉันเป็นนักแปลซ็อกทรานดัคเดิฉันแปลหนังสือ t r a d u ู e อูลิบรสคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ t ัสตาโซลากีไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะโนลาเมวัดอนาอัลเมอุม També és ก q และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันอยะโนเมอสดฟส